ร่วมกันเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษพระบรมราชินีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะญาติราทางชลมารในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเบื้องปลายวันที่24ตุลาคมศกนี้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 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้นเจ็ดศูนย์การค้าบางซื่อจังชันสถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลทั ญ, ญบรุรีให้บริการส่งเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยปลิจภัณฑ์จากธรรมชาติทรีตเมนต์ทุกส่วนของร่างกาย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 89.5 เม h ะเเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการ <Come S 2> คอมท <Today. S 2> ูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยอรชัยจันท ร, รสุภแสงคลิกใปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เมก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์เรดิโอนะครับทาง FM 89.5 m มแเมกอเฮิร์นะครับอยู่กับผมพรชัยจันทราสุประแสงนะครับบอกอริงหรือพี่มิงคอมทูเดย์ของหลายหลายคนนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับกับเพลงเพราะๆที่เดี๋ยวจะเปิดสลับผักเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่เน้นสาระนะรายการนี้ <c oughs> น ะ, ะอ่ยย้ำนิดนึงสำหรับวันนี้เป็นวันจันที่ ในปฏิทินบนมือถือนิดนึงนะครับวันจันทร์ที่30เดือนกันยายน2562นะครับก็เป็นวันสิ้นเดือนเงินเดือนออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความสุขกับวันที่เงินเดือนออกเดี๋ยวเราก็จะมีเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่ที่อาจจะตั้งใจเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องเรียกว่าประหยัดเงินนิดหนึ่งอย่าใช้จนเพลินจนเกินตัวนะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการ พูดถึงเทรนด์มาร์เก็ตติ้งตัวหนึ่งหรือเทนการตลาดสำหรับคนในยุคดิจิตัลที่กำลังมาเลยในช่วงนี้เขาใช้คำว่า Lazy ่ a า k e t i n g นะฮะเป็น Lazy Marketing กับโอกาสธุรกิจรับตลาดคนขี้เกียจนะครับความขี้เกียจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เราคาดไม่ถึงเนียอาจจะสร้างรายได้ให้กับใครบางคนที่มองเห็นถึงปัญหาและสามารถลองรับความขี้เกียจที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็จั่วขึ้นมาสักนิดหนึ่ง พูดถึงคำว่าเลซี่มาร์เก็ตติ้งนะครับเลซี่มาร์เก็ตติ้งก็คือการตลาดที่เกิดจากพฤติกรรมความขี้เกียจของผู้บริโภคในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและก็ส่งผลให้เรามองเห็นการตลาดแบบเลซี่ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ถูกพัฒนามาจากเทคโนโลยีที่ ก้าวหน้าเพื่อลองรับความต้องการของคนในยุคนี้ที่ต้องการความสะดวกสบายที่สําคัญนะครับเครื่องอํานวยความสะดวกเหล่านี้ยังสามารถช่วยย่นระยะเวลาในชีวิตให้เราสามารถไปทํากิจกรรมอื่นๆได้มากกว่าการนั่งกังวลกับเรื่องเดิมๆนะครับโดยปัจจุบันนะครับกลยุทธ์การตลาดขี้เกียจ ต, ตรงนี้มันกลายเป็นวาระสําคัญที่ธุรกิจไซส์ใหญ่หลายประเทศต้องมีการปรับตัวอย่างเร่งด่วนอย่างเช่น เทาเป่านะครับผู้ดำเนินธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซรายใหญ่ในประเทศจีนก็ได้มีการเก็บข้อมูลของลูกค้าแล้วก็พบว่าคนจีนรุ่นใหม่ที่เกิดหลังปีคศ1995อสอ 1995, มีการใช้จ่ายไปกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับความขี้เกียจหรือคนขี้เกียจเนี่ยมากถึง 70% นะครับแล้วก็เป็น หรือจะเป็นกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยนะครับที่เน้นทําการตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้โดยเฉพาะธุรกิจประเภทรับสั่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยที่กําลังเติบโตอย่างมากนะครับดังนั้นการปรับตัวจึงเป็นเรื่องที่ต้องทําให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเพราะว่าจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยได้เปรียบคู่แข่งแล้วก็ผู้บริโภคเองก็จะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วมาดูซิว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่า มาเป็นเป็นข้อมูลที่พี่มิ้งได้มาจากงานสัมมน า, าเรื่องตลาดคนขี้เกียจหรือว่า lazy consumer เจาะลึกอินไซต์พิชิตใจคนขี้เกียจที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโดยมีนักศึกษาได้ทําการวิจัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายจํานวน 1,200 คนนะครับโดยมี4กลุ่มอายุได้แก่แบ่งเป็น gen z หรือ gen y gen x แล้วก็ baby boom ก็พบข้อมูลเกี่ยวกับการทําตลาดที่น่าสนใจว่ามี5กลุ่มพฤติกรรมหลักคือ หนึง่งมีอะไรบ้างหนงึมนุษย์อยากดูดีแต่ไม่มีแรงเขาบอกว่า8ปเปหรือคนประมาณ55ล้านคนเนี่ยขี้เกียจออกกําลังกายนะฮะเขาเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยอยากดูดีแต่ไม่มีแรงหรือหรือว่าเหมือนกับเราขี้เกียจออกกําลังกายแต่อยากดูดีเอออันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยคนไทยมีพฤติกรรมดังกล่าวมากถึง8ปหรือประมาณ55ล้านคนจะจํานวน <c oughs> ประชากร 66.41 หรือ41ล้านคนนะฮะและจากการสำรวจการใช้แอปพลิเคชันเพราะว่ามีจำนวนผู้ใช้งานเพียง 32% เพียงเท่านั้นนะครับที่เหมือนกับยอมไปออกกำลังกายนะฮะเพราะว่าและส่วนที่ไม่ออกกำลังกายเพราะอะไรก็เพราะว่าขาดแรงจูงใจและก็ไม่มีเวลานะบบอกอย่างนี้ อ, ม น, อ, อมนุษย์ชอบชอปแต่ไม่ชอบรอนะแล้วก็เป็นพวกขี้เกียจ ร, รอคิวซื้อของด้วยนะครับ เพราะว่าคนไทยเนี่ยมีพฤติกรรมดังกล่าวมากถึง 81% หรือประมาณ53ล้านคนจากจํานวนประชากร 66.41 ล้านคนจะเห็นได้ว่ามีคนไทยมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับที่หันมา ท, ทําธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือมากกว่าเดิม เ, เพราะว่าขี้เกียจเดินไปที่แบงก์หรือว่าขี้เกียจไปร้านค้าเพื่อซื้อของเพราะมองว่ามันเป็นการเสียเวลาเหนื่อยเกินไปแล้วก็ต้องไปยืนรอเข้าคิวนานๆก็เลยขี้เกียจนะครับ 3. ม, มนุษย์บ้านลกโศ ก, กปรก ค่อยทําอันนี้เป็นสิ่งที่เขาสรุปมาจากพฤติกรรมที่เจอนะครับก็คือคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ขี้เกียจทําความสะอาดบ้านเขาบอกว่ามี51ล้านคนหรือประมาณ 77% ที่เข้าข่ายตรงนี้นะครับเพราะว่าคนไทยมีพฤติกรรมดังกล่าวมากถึง 77% หรือประมาณ50ล้านคนนะจากจํานวนประชากรทั้งหมดเรียกได้ ว, ว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเพราะว่าพบว่ามีคนที่ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเพียง 7% เท่านั้น เท่ากับว่ายังมีอีก 93% ที่ยังรอบริการที่น่าสนใจเพื่อตอบสนองหรือตอบรับความต้องการแห่งความขี้เกยียจของผู้บริโภคที่เหนื่อยและเบื่อกับการทําความสะอาดบ้านยุคนี้ก็คื อ, ค, อคือการจะอธิบายว่ามันมีแอปที่ที่เขาเหมือนกับเรียกแม่บ้านไปทําความสะอาดเนี่ยและมีคนใช้แค่ 7% เองนั่นหมายความว่าตลาดตัวนี้ยังใหญ่มากถ้าจะลงมาทํานะครับ 4. มนุษย์ไม่ชอบอ่านแค่ผ่านๆก็พอก็คือขี้เกยียจหาหนังสือนะครับ เป็นยังไงอันนี้น่าสนใจเพราะว่าคนไทยมีพฤติกรรมดังกล่าวมากถึง 70% หรือประมาณ46ล้านคนจากจํานวนประชากรทั้งหมดนะฮะเป็นที่ทราบกันดีว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยแน่นอนว่ามีหลายปัจจัยอย่างไม่มีแรงจูงใจการไม่ชอบอ่านหนังสือเพราะว่าชอบฟังหรือดูมากกว่าหรือแม้กระทั่งความเหนื่อยจากการสายตาที่ไม่ดีเพราะอายุมากขึ้นก็เลยทําให้ไม่ค่อยอ่านจริงๆก็เป็นเป็นพฤติกรรมคนไทยปกติเนะาะห มนุษย์ชอบกินแต่ไม่อินทํำาอาหารก็คืออยากกินอาหารอร่อยๆแต่ก็ขี้เกียจทําความสะอาดหรือขี้เกียจทําอาหารนะฮะคือทำอาหารเสร็จแล้วก็มาทำความสะอาดก็ขี้เกียจอะ่ะก็คือเพราะว่าคนไทยมีพฤติกรรมดังกล่าวมากถึง 69% หรือประมาณ45ล้านคนจากจํานวนประชากรทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่มีเวลารู้สึกเหนื่อยล้าไม่มีแรงจูงใจและก็ทําไม่เป็นซึ่งเป็นเหตุให้ฟู้ดเดลิเวอรี่มีการแข่งขันที่ดุเดือดมาก ที่มิงน่าจะเข้าไข่สุดท้ายเนาะทำไม่เป็นนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากพฤติกรรมที่เขาเก็บมาเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจากพฤติกรรมตรงนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจต่อจากตรงนี้อีกครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลายโโยัา ย, า ย, า ย, ลายแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University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 เธอพร้อมไปหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังฉันยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉัน คิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำคำนั้นทุกวันที่ห่างกันไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องไห้ต่างคนสนใจจะฟัง เพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจใจฉันยังมีเธอคืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใจหมนุหมน ขอเพียงใครสักคนอ่วงใหญ่กันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนหันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอนหนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราว ใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปล่าหยือลืมเลาสู่กันฟัง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 เธอลำบากก็ไรไหมเธอสู้ไว้หรือปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟัง สู้กันฟังเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคนคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมท<อ>ุเดย นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญญบุรี FM 89.5 MHz เมมาดูกันต่อนะครับกับพฤติกรรม Lazy Marketing พฤติกรรมของความขี้เกียจจนเกิดกลายเป็นการตลาดยุคใหม่นะครับเขาบอกว่า จากข้อมูลพฤติกรรมความขี้เกียจที่เกิดขึ้นได้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งของธุรกิจเก่าแล้วก็ธุรกิจใหม่ที่ปรับตัวแล้วก็ทําความเข้าใจกับพฤติกรรมของคนสนใจที่ขี้เกียจขี้เกียจนะครับหัวหน้าทีมงานวิจัยการทําตลาด lazy consumer นะฮะคุณผลทิพย์เขาบอกว่าเจาะลึก i n นไซต์พิชิตไครขี้เกียจเนี่ยได้กล่าวถึงเคล็ดลับการทําตลาดในยุคที่คนขี้เกียจครองเมืองว่าเจ้าของสินค้าและบริการจะต้องมีกลยุทธ์ที่เรียกว่า SLOTS เนี่ยคืออะไร SLOTS เดี๋ยวเรามาไล่กันเลยนะ S ก็คือตัวสปีดคือต้องมีความรวดเร็วต้องมีความรวดเร็วและก็ต้องไม่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกเสียเวลานะฮะ L Lean นะกระชับตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากออกไปเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะครับ E คือ Enjoy ต้องทำให้ผู้บริโภครู้สึกสนุก และเกิดแรงจูงใจในการใช้สินค้าและก็บริการ C convenience นะครับสินค้าหรือบริการต้องมีความสะดวกช่วยให้ชีวิตนั้น ง, ง่ายมากขึ้น H H, H H H H happy นะความสุขไม่ว่าลูกค้าจะมีพฤติกรรมอย่างไรแม้มนุษย์เป็นมนุษย์ขี้เกียจ mm hmm. เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นลูกค้าแล้วการสร้างความสุขความพึงพอใจก็เป็นหน้าที่ของของคนคนที่ทาหน้าที่ตรงดีนะครับเพราะฉะนั้นใครว่า ความขี้เกียจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าถ้ามาดูถึงตรงนี้แล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าเรารู้จักใช้เทคโนโลยีใช้โอกาสทางธุรกิจที่มันมีช่องว่างอยู่ในการสร้างสาธุรกิจใหม่ๆก็มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นคนที่จะอยู่ในข่ของธุรกิจเหล่านี้ก็จะมีอย่างพวกโลจิสติกส์ก็คืออย่างที่ขนส่งมอเตอร์ไซค์วินแกนู่นนี่นั่นนะฮะหรือว่า ธุรกิจที่เป็นพวกทำร้านค้าอ e ีคอมเมิร์นคนที่เป็นแพลตฟอร์มโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ก็จะเข้ามาซัพพอร์ตได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่เป็นคนที่เป็นพวกบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ก็สามารถที่จะใช้โอกาสาทางทางความขี้เกียจของบรร do ตรงนี้เข้ามาช่วยทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในธุรกิจได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น งานวิจัยที่เกิดขึ้นในในเมืองไทยเรานี้เองนะครับที่ทำการวิจัยซึ่งน่าสนใจดีทีเดียวนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการที่จะ u ักเซสหรือว่าสำเร็จได้เนี่ยต้องมาจากคำว่า s ป e e d Lean, Enjoy, c o n v e n i e n t h a p p y นะฮะาคำนี้เอามารวมกันกลายเป็นคำว่าสโล s, z, s l o s S L O T H นั่นเองนะครับเดี๋ยวเบรกต่อไปพี่มิ้งจะมาพูดถึงเรื่องของพอดแคสต์นะครับที่เป็นกระแสร้อนแรงในช่วงเวลานี้ว่าเออมันมันมีคนพูดถึงกันเยอะแล้วมีคนเข้ามาทำในออส่วนของพอดแคสต์กันมากขึ้นหลังจากที่พอดแคสต์เปิดมาตั้งแต่สมัยที่ iPod เปิดขายมา แ, แรกๆนะครับส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อครับ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 คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไฟให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 m ิบเมมาดูกันที่เรื่องของพอดแคสต์กันบ้างนะครับถ้าจะให้อธิบายเนี่ยเขาบอกพอดแคสต์คืออะไรพอดแคสต์เนี่ย เอาง่ายสุดก็คือมันคือออนไลน์เลดีโอออร์ดิบันหรือเป็นวิทยุแบบออนไลน์แล้วก็ฟังตอนไหนก็ได้ฟังซัมเมอร์ไร่ก็ได้นะครับข้อแตกต่างจากวิทยุแบบเก่าที่ที่พี่มิงกําลังจัดอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นพอตก็คือพอดแคสต์เนี่ยไม่ได้นําเสนอเพลงแต่เป็นการฟังบทความการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์สรุปข้อมูลสรุปหนังสือปทาทกถาหรือว่าทอลต่างๆโดยสามารถฟังผ่านได้หลายแอปนอกจากพอดแคสต์ของ iOS เช่นพวก s p สปอสิฟายซาวคล u d พอท b e a นะฮะหรือแม้กระทั่งจะไปฟังจาก YouTube ก็ได้แต่ YouTube อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่า YouTube มันไม่สามารถเปิดพร้อมกับแอปพลิเคชันอื่นได้พอปิดหน้าจอปุ๊บสิ่งก็หายนะฮะอ่ะพอสแคสซึ่งต้องบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยได้รับความนิยมมาหลายปีแล้วแหละมีรายการให้เลือกฟังหลากหลายเมื่อได้รับความนิยมนั่นก็หมายถึงมันก็มีเม็ดเงินโฆษณาไปสนับสนุนผู้ผลิตพอสแคสเหล่านั้น รายการพอสแครปของเจ้าแม่ของวงการอย่างมีเดียอย่างอเมริกาคือ Oprah w i n ินสตเนี่ยก็สามารถขายโฆษณาของ Q4 เมื่อปี2017หมดภายใน24ชั่วโมงหลังเปิดขายพฤติกรรมของผู้ฟังพอสแครปส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการฟังระหว่างเดินทางไปกลับที่ทำงานขับรถหรือว่าขึ้นโดยสารสาธารณะต่างๆหรือว่าอาจจะอยู่ระหว่างการออกกำลังกายแม้แต่การใช้เศษเวลาให้เป็นประโยชน์ก็ยังรับฟังพอสแครปแทนการอ่านเพราะว่าบางทีไม่สะดวกที่จะอ่านนะครับ สำหรับเมืองไทยเองเนี่ยก่อนหน้านี้พอดแคสต์เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ฟังเล็กๆเท่านั้นนะครับกลุ่มที่รักที่จะเสพเนื้อหาพัฒนาและอัปเดตตัวเองผ่านการฟังเสริมจากการอ่านป ก, กติซึ่งก็ต้องเรียกว่าเป็นกลุ่ม Early a d ะ p t e r นะซึ่งชอบลองเทคโนโลยีและก็เทรนด์ใหม่ๆที่เหมาะสมกับตัวเองแต่ว่าปัจจุบันนะครับรายการพอดแคสต์เริ่มแมสหรือว่ามีคนสนใจมากขึ้นเริ่มมีรายการที่หลากหลายมากขึ้นเราเริ่มเห็นโฆษณาในพอดแคสต์บ้างพอสมควรเช่น พอดแคสต์เกี่ยวกับเคล็ดลับและความรู้ด้านการเงินมีธนาคารเป็นผู้สนับสนุนเรื่องของการใช้ชีวิตมีแบรนด์ประกันเป็นผู้สนับสนุนหรือว่ารายการบทสัมภาษณ์ผู้บริหารแบรนด์ใหญ่ๆก็สามารถใช้พอดแคสต์เนี่ยเป็นช่องทางในการทำา PR หรือว่าโฆษณาสินค้าและบริการได้ด้วยนะครับตัวอย่างพอดแคสต์ก็มีเยอะนะฮะหลังหลายค่าที่ตอนทาซึ่งตัว <c oughs> สำหรับพี่มิงเองเนี่ยก็กำลังจะมาเริ่มทำพอดแคสต์แบบจริงจังและเร็วๆนี้ยังไงก็รอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไงนะครับสำหรับพอดแคสต์ของพี่มิงซึ่งแน่นอนต้องเกี่ยวกับดิจิ t ัลคอนเทนต์หรือว่าเรื่องของดิจิ t a ลมาเก็ตติ้งที่เราจะพูดถึงแล้วดิจิ t a ลมาเก็ตเตอร์ควรเริ่มพิจารณาพอดแคสต์ไหมอันนี้แน่นอนว่าต้องสนใจเพราะว่ามันเป็นเทรนด์แล้วก็ที่จะพูดถึงเป็นการแบรนด์อเนสก็ไม่ไม่เสียหายอะไรนะครับสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University สถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลทัญบุรีให้บริการส่งเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยประภานจากธรรมชาติทรีตเมนต์ทุกส่วนของร่างกาย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 สอบถามเพิ่มเติม 02-592-1933 ้าเกอมาเธอบอกว่าฉันไม่มีเหตุผล เธอบอกว่าทนฉันมานานแล้วเธอทนไม่ไหวอีกแล้วต้องการบอกลาเธอบอกว่าฉันนั้นไม่เหมือนก่อนเธอว่าฉันร้ายหนักหนาเธอบอกว่าถึงเวลาต้องเดินแยกทางเธอบอก ที่ล้ไม่มีความหมายให้หลืมมันไปหเหมือนดังฝันเหมือนง่ายอย่างนั้นหรือที่เธอบอกมาจะตัดเยื้อใยกันเลยจบกันไม่มีมันตาไม่อยากจะเสียเวลาทนกันต่อไป อยากบอกเทอว่าฉันผิดฉันผิดไปแล้วที่กระทำ คุกันได้ไหมกลับมาเปิดใจให้กันอีกทีขอร้องเธออย่าหนีฉันไปไหนต่อไปจะไม่แสนงอนวุ่นวายกับเธอเกินไปต่อไปฉันจะไว้ใจฉันสั่น ท่า ต่อไปฉันจะไว้ใจฉันสัญญา รายการค o m ทูเดยนานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9ดสิบเมยังคงอยู่ที่เรื่องของพอดแคสต์นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อคนฟังพอดแคสต์มากขึ้นโอกาสของคนทำคอนเทนต์เนี่ยมันคืออยู่ตรงไหนนะครับ พอสแคสต์ cast, อย่างที่บอกว่ากําลังได้รับความนิยมมากกว่าสื่อเดิมอย่างวิทยุผู้ริโพกเลือกเสพเนื้อหาที่ตัวเองชอบได้ได้ความรู้แรงบันดาลใจความบันเทิงและสามารถกดติดตามช่องของเจ้าของรายการเพื่อตามเนื้อหาใหม่ๆหรือว่าตามเนื้อหาย้อนหลังก็ได้นะครับมันก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเดี๋ยวนี้นะที่ชอบเป็นคนเลือกมากกว่าที่จะถูกบังคับที่จะต้องเสพนะครับไปต้องทนกับเนื้อหารายการที่เราไม่อยากฟังคือชอบตรงไหนก็ฟังตรงนั้นนะครับต้องบอกว่าพอสแคสต์เนี่ยไม่ใช่ของใหม่ หลังๆเราจะใช้พอดแคสต์เนี่ยในไทยมีคนบุกเบิกทำรายการอย่างเช่นพวก o n ิวออ น, อออนที่คุณแชมป์ธีปรกรณ์ทำร่วมกับคุณโตมรสุขปรีชานะหรือซื่ออย่างเด e Standard ที่เชิญผู้มีประสบการณ์ในวงการต่างๆเนี่ยมาจัดรายการให้เราได้เลือกฟังก็สะท้อนให้เราเราู้ว่าพอดแคสต์ในเมืองไทยเนี่ยกำลังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเสพคอนเทนต์ถึงแม้ว่าจะเป็นกระแสะเล็กๆเมื่อเทียกบกับต่างประเทศแล้วก็ตามนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับพอดแคสต์ Post ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับในปี2004 Adam c อดัมเคอร์รีเนี่ยเริ่มจัดรายการพอดแคสต์ครั้งแรกโดยเล่าชีวิตประจำวันเสนอข่าวเล่าประเด็นดังๆในแต่ละวันเปิดเพลงให้ฟังจนเมื่อปี2005นะครับที่ Apple เริ่มให้บริการพอดแคสต์บน iTunes ก็สร้างกระแสะความนิยมในพอดแคสต์ at, และสร้างเป็นสื่อดังๆอย่างอย่างก็จนกระทั่งเาเรียกว่าสร้างสร้างกระแสแล้วก็สื่อดังๆอย่าง BBC, CBC, Radio ี w i n สนะก็หันมาทำรายการในเวลาต่อมาด้วยนะครับอันนี้คือที่ต่างประเทศซึ่งในอเมริกานะครับเขาบอกว่ามีคนฟังสูงถึง112ล้านคนนะฮะเป็นผู้ชายราว 56% และผู้หญิง 44% ปี2016เนี่ยคนในอเมริกัน 21% ฟังพอดแคสต์ในทุกๆเดือนที่ผ่านมาราว68ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี2015มา 4% แล้วมี 64% ของคนฟังพอดแคสต์ดาวน์โหลดมาฟังบนมือถือมีรายการของพอดแคสต์ในช่วงเวลานั้นเกือบ 3,000 30, 0รายการแต่ละเดือนเนี่ยก็มีรายการพอดแคสต์ใหม่บัรจุในะไอจุนราว 4,000 ร, รายการคนบริการ42ล้านคนฟังพอดแคสต์อย่างน้อย5 รายการทุกอาทิตย์แล้วก็เขาบอกสร้างเม็ดเงินโฆษณามากกว่า220ล้านเหรียญในปี2017และเพิ่มจาก2ปีที่แล้วถึง228โอ้โหจะเห็นว่ากระแส ม, มันแรงแล้วก็ดูดีทีเดียวเพราะฉะนั้นหลายคนที่กำลังจะเริ่มมาสนใจในการทำคอนเทนต์บนบอร์ดแคสต์ก็น่าจะมองเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับแล้วโอกาสของคนทำคอนเทนต์และการตลาดซ่อนอยู่คืออะไร เรารู้ว่ามีคนดาวน์โหลดรายการเสียงเข้าสมาร์ทโฟนไปฟังแต่คนคิดจะลงทุนโฆษณาในพอดแคสต์เนี่ยกับไม่มีข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนใช้บริการพอดแคสต์นั้นได้ฟังรายการนั้นจริงหรือเปล่าแล้วถ้าฟังจริงฟังกี่นาทีกี่ชั่วโมงและฟังจากไหนฟังจากสมาร์ทโฟนหรือเว็บไซต์บนเดสก์ท็อปแต่หลังๆนะครับแอปเปก็เห็นว่าพอดแคสต์น่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆจึงแก้ปัญหานี้โดยอัปเดตข้อมูลที่ว่าลงใน iTunes ให้คนที่สนใจลงโฆษณาเนี่ยในทุกรายการพอดแคสต์สามารถเอาข้อมูลว่า เออคนเขามีคนฟังขนาดไหนเพื่อให้มันเป็นเหมือนกับบทวิเคราะห์อนาลิติกส์นะครับเช่นเดียวกับ Facebook และ YouTube ก็ทำสิ่งเหล่านี้มาเหมือนกันนะครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t moving towards innovative university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 ท่องเอาไว้จะโนดจะให้หายกลันมาจากหัวใจขอให้เธอโปรดฟังนะคนดี คนดี 少年，你。 ฉันไม่ใช่น้อยให้ใจฉันไม่ชื่นชมเมื่อฝันคอยฝันคอยเธอหันมาในความจริงแล้วล่าเธอนั้นไม่รู้จะฉันสักหน่อยแต่ฉันก็แอบชอบเธอ ชอบฉันไม่ใช่น้อยให้ใจ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 เตรียมเริ่มใช้ Dark ห o ดเนะี่ยฟังดูน่ากลัวนิดหนึ่งน ะ, ะเดีย ว, ว่าทนแรงกดดันไม่ไหวและโดนความมืดเข้าครอบงนไปอีกลายสำหรับ Google Play ได้เตรียมทำให้ Play Store กลายเป็น Dark Mode เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้ถนอมสายตามากขึ้นสำหรับใครที่ใช้ Dark Mode ใน Play Store มือถือคุณต้องอัปเกรดเป็น Android 10ขึ้นไปนะครับแล้วก็ Play s t o ต e ต้องเป็นเวอร์ชั่น1่เอ่อนถึงจะใช้งานได้ แล้วก็ตัวดักโปรใน Google Play เนี่ยจะเป็นสีเทาเข้มไปจนถึงดำเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานถนอมสายตาเนื่องจากมีงานทดลองว่าสามารถช่วยลดแสงสีฟ้าได้บางส่วนและอันนี้พี่มีเข้าใจเองด้วยนะฮะว่าก็จะช่วยแบตเตอรี่เพราะว่าพอมันไม่สว่างมากเนี่ย ไฟแบตเตอรี่ก็จะกินน้อยลงนะฮะก็ถือว่าเป็นการประหยัดไฟและก็ถนอมสายตาไปด้วยนะครับส่วนใครที่จะลองใช้ตอนนี้พี่เมียังไม่ลองใช้นะดูแต่ข่าวดี๋ยว่าเดี๋ยวจะไปลองเซตอัพดูซิว่าการทําให้มันเป็นดาร์กโหมดจะเป็นยังไงแต่ในความเป็นจริงนะนึกถึงความเป็นจริงเราก็ไม่ได้เปิด Google p a ย์เยอะขนาดนั้นนะเราเปิด Google เปิดอะไรพวกนี้มากกว่าไอเพย์โซนี้บางทีหลายหเดือนถึงก็เปิดทีนึงเพราะว่าคงไม่มีใครโหลดแอปทุกวี่ทุกวันเนาะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ มาที่แบ็กเบอร์รี่บ้างนะครับแบ็เบอร์รี่ตายไปจากเมืองไทยแล้วแต่เขาบอกว่าตอนนี้กลับมาฮิตในจีนด้วยเหตุผลที่คนใช้ต้องการออฟไลน์ตัวเองนะครับ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้ามาไกลามากและตอนนี้มือถือที่ผลิตออกมาใหม่แท บ, บ 100% สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แต่นั่นก็เป็นข้อเสียของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในหมู่นักเรียนจีนแบทบุรีกำลังกลับมานิยมด้วยเหตุผลที่พวกเขาต้องการออฟไลน์ตนเองและทำตัวเองให้จดจ่อกับการเรียนได้มากขึ้นหากถามว่าทำไมต้องทำให้ยุ่งยากทาไมต้องซื้อเครื่องใหม่ ตอนเรียนก็แค่ปิดเครื่องปิดฟังก์ชันซะคำตอบคือมันยากไงที่จะต้องหันไปเปิดเครื่องใหม่เมื่อใจเรารู้ว่ามันยังใช้งานได้เราจะกลับไปใช้งานมันตอนไหนก็ได้ก็คือพูดงา่ายคุมใจตัวเองไม่อยู่แต่นี่คือวิธีการตัดขาดจากโลกโซเชียลเพราะว่าแ l a c k b e r r y รรุ่นเก่าไม่สามารถรองรับแอปพลิเคชันใหม่ๆและถ้าถามว่าทาไมต้องไปเป็น Black b บล็เบอร์รีตอบก็คือด้วยไซส์คีย์บอร์ดแบบ Qwerty qwerty นี่ที่ยังใช้ยังเาเรียกยังให้สัมผัสการพิมพ์แบบกา ย, กายภาพดีไซน์น่ารักก็เลยมีผู้ค้าจีเนี่ยบุกตลาดมาทำตรงนี้แล้วก็ทำเคสแบบน่ารักนันกออกมาขายตึมเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็ผ่านกันไปหลากหลายเรื่องทั้งเรื่องของ แบทเบอรี่เรื่องของ Google Play นะหรือ p อ d ออะไรนะพอดแคสต์หรือว่าตอนต้นที่เราพูดถึง l a ส i n g Marketing วันนี้พี่มิ้งอัดมาเต็มพอสมควรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่อีกหลายๆเรื่องเดี๋ยวจะมาประกาศว่า Apple ประกาศขาย iPhone 11กันวันที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่กันได้สำหรับวันพรุ่งนี้อ่ะเวลาวันนี้หมดลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คืนพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ